ก็ความในพระสุตันตปิฎกคุตการนิกาจุลานิเทศมาขึ้นเล่มใหม่ปารายนาวัต์ก็มีบทวัตถุกรถาคือเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาก่อนที่จะมีการถามปัญหาของมานพสิบหกท่านนะนะมีว่าภาวรีพรามเนี่ยเป็นผู้เรียนจบมนปรารถนาความเป็นผู้ไม่มีกังวล ออกจากพระนครโกศลอันน่ารื่นรมไปสู่ทักคินาปะทะชนบทก็เขาเป็นอาจารย์ของพระราชาเนี่ยของพระเจ้ามหากูศลเนี่ยที่เป็นพ่อของพระเจ้าประเสิทธิโกศนทีนี้พอพระเจ้าประสิทธิโกศนขึ้นครองราชก็ลาออกจากตำแหน่งปุโรหิตหรืออาจารย์ของพระราชาก็ไปอยู่โน่นในทักคินา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 หมู่บ้านใกล้ๆแถวนั้นก็เป็นหมู่บ้านใหญ่ขึ้นด้วยความเจริญอันเกิดแต่บ้านนั้นพราหมณ์นั้นก็ได้บูชาม ah หายันก็จะมีประเพณีบูชายันทุกปีนะพราหมณ์นั้นบูชามหายันแล้วก็กลับเข้าไปสู่อาสมเมื่อพราหมณ์นั้นกลับเข้าไปแล้วพราหมณ์อื่นก็มาเมื่อบูชายันเสร็จอนะก็มีพราหม์อีกคนเขาเข้ามาพราหมณ์อื่นนั้นก็มีเท้าพิกราร เดินงกงินฟันเคะมีธุลีบนสีสะเข้าไปหาพรามภาวดีแล้วก็ขอทรับห้าร้อยพรามขอทานนั่นแหละแต่ว่าเนื้อตัวนี่งกเงินฟันเคอมันงมัมแมมไปหมดเลยฮะทีนี้พรามภาวรีพรามเห็นพรามนั้นเข้าแล้วก็เชิญให้นั่งแล้วก็ถามถึงความสุขสําราญความไม่มีโรคแล้วก็ได้กล่าวคํานี้ว่าทรัพย์ของเราอันจะพึงให้เราเนี่ยสละหมดแล้วคือให้ทานไปหมด ดูก่อนพราม์ท่านเชื่อเราเถิดซับห้าร้อยของเราไม่มีไม่มีทรับไม่มีอะไรเหลือแล้วให้ทานไปหมดแล้วทีนี้พราหมณ์นั้นเขาก็เข า, เ, ขาเป็นคนโกหกะนะก็สาบแช่งเลยว่าถ้าเมื่อเราขอท่านจักไม่ให้ในวันที่เจดสีสระของท่านจักแตกออกเจดเสียงถ้าไม่ให้นะอีกจากนี้ไปเจวันหัวแตกเจ็ดเสียงเลยมั้งจริงๆแล้วพราหม์นั้นเป็นคนโกหก ปรุงแต่งแสดงเหตุให้กลัวภาวรีพราม์ได้ฟังคําของพราหม์นั้นแล้วก็เป็นทุกข์เนี่ยนะก็ถูกเขาสาบเนี่ยว่าอีกเจ็ดวันจะตายอ่ะหัวจะแตกเก็ดเสียงเดือดร้อมเลยทีพระเออพรา ม, มานั้นเนี่ยเขามีเล่เหลี่ยมของเขาอะ่ะนะเขามีวิธีการสาบแช่งเขามีเทคนิคของเขาอะ่ะที่เรียกว่าคนที่ถูกสาบเนี่ยฟังแล้วสะดุ้งเลยมังเพราะฉะนั้นหลังจากที่พราหม์โกหกแสดงกิริยาอย่างนั้นเนี่ย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 ย่อมไม่มีแก่พราหมณ์นั้นที่บอกว่าอีกเจวันเนี่ยสีสะของท่านจะแตกเจ็เสียงอะ่ะพรามนั้นยังไม่รู้อะไรคือศีษะยังไม่รู้ว่าอะไรทําให้ศีษะตกให้ศีษะแตกไม่รู้สักอย่างหรอกเพราะฉะนั้นพราหม์นั้นอะ่ะเป็นคนโกหกเหมือนกันภาวรีพรามเนี่ยพอฟังก็คิดว่าเออเทวดานี่อาจรู้ได้ในบัดนี้ก็กล่าวว่าข้าพเจ้าถามแล้วขอท่านจงบอกศีรษะและทำอันให้ศีสะตกใหะแตกไม่ร้ก่างเพ้าเปพเนีิดาเออเ ข้าพเจ้าจะขอฟังคําของท่านเอ๊ะสีสะมันเป็นยังไงธรรมที่ให้ศรีรษะตกมันเป็นยังไงเทวดาก็บอกว่าข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักศรีรษะและธรรมะอันให้ศรีรษะตกไปข้าพเจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ความเห็นซึ่งศรีรษะและธรรมะอันให้ศีษะตกไปเนี่ยย่อมมีแก่พระชิ น, นเจ้าทั้งหลายเท่านั้นความรู้เรื่องเนี้ยเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านรู้พราหมณ์พาวีก็ถามว่า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 เป็นพระพุทธเจ้าผู้นำโลกนะผู้นำสัตว์โลกอ่นะเป็นผู้กระทำธรรมะให้สว่างพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้นำสัตว์โลกให้พ้นจากวัฏทุกพระองค์เนี่ยแสดงธรรมะให้สว่างกระจ่างแจ้งเลยว่าเทวดาคนนี้นาต่อไปว่าดูก่อนพราหมณ์พระสกยาบุตรนั่นแหละเป็นพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง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 ภาวรีพรามณ์ได้ฟังคําว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีความเบิกบานใจมีความโศกเบาบางลงและได้มีปีติอันไพ่บุญอุ้ยพอฟังคําว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละปีติเอ่อความเศร้าโศกเนี่ยนะหายไปหมดอะโทสะหายเลยอะที่เหลือก็มีแต่ปีติความเ อ, อิบอิม่มจริงๆแล้วโทสะกับปีตินี่เป็นศัตรูกันถ้ามีปีติจะไม่มีโทสะถ้ามีโทสะไม่มีปิติเนี่ยนะ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 ก็พวกลูกสิทธ์ฉลาดฉานั่นนะพวกนี้เขาก็แบกแต่พราหม์าวรีส์พราหม์พาวรีคนนี้เขารับหน้าที่สอนสิทธิ์โง่นั่นนะพวกไม่ค่อยฉลาดพวกดื้อๆทั้งหลายเนี่ยพราหมภาวรีเขาจะดูแลเองหมดนั น, นะก็เหมือนเคยได้ยินนะว่าอาจารย์ใหญ่จริงๆเนี่ยจะสอนสิทธ์เด็กเท่าไงบอกว่าครูใหญ่สอนปอไหนบอกสอนปอหนึ่งเั่าไงโบราณนะ่นนะสมัยนี้ไม่รู้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมั้งแต่โบราณเนี่ยครูใหญ่จะสอนปอหนึ่งเท่าไง ครูน้อยๆประสอนปอสูงๆเหมือนกันพอนี้ก็รู้จากข่าวอย่างนั้นก็ไปเรียกลูกศิษย์ผู้ถึงฝั่งแห่งมนต์มาลูกศิษย์เขาส่งไตเพศกันทุกคนเนี่ยนะมีความรู้ดีหมดก็บอกลูกศิษย์ว่าดูก่อนมานบทั้งหลายมานี่เถิดเราจะบอกท่านทั้งหลายจงฟังคําของเรายัางไงความปรากฏเนืองๆแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์ใดนั้นน่ะหาได้ยากในโลกยั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 ข้าเจ้าทั้งหลายจักรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยอุบายอย่างไรเนะี่ยมีวิธีไหมมีเทคนิควิธีการอะไรที่จะสอบสวนว่าผู้นั้นเป็นพระพุทธเจ้าจริงขอท่านจงบอกอุบายนั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ไม่รู้เถิดนะพระอภัยวารีก็บอกลูกศิษย์ว่าก็พระมหาบุรุษมหาปุริสลักษณะ32ประการมาแล้วในมนทั้งหลายท่านกล่าวไว้แจมแจ้งบริบูรณ์แล้วโดยลําดับ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 นับว่าจะต้องเรียนเรื่องลักษณะของคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมหาตำรามหาปุริสลักษณะของท่านทั้งหลายก็เรียนกันมาแล้วนี่งกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดมีมหาปุริสลักษณะ32สิบสองประการเหล่านั้นในกายตัวท่านผู้นั้นมีคติเป็นสองอย่างเท่านั้นไม่ได้มีคติเป็นที่สามคือคติแปล ว, ว่าที่ไปเนี่ยนะ ใช้ชีวิตยอยู่สองประการเท่านั้นนะ่ะถ้ามีองค์ประกอบคือมหาปริศลักษณะสามสิบสประการคือถ้าอยู่ครองเรือนพึงครอบครองแผ่นดินนี้ย่อมปกครองโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อาจยาคือกฎหมายไม่ต้องใช้ศาสตราคืออาวุธเนี่ยนะแปลว่าการปกครองเนี่ไม่ต้องมีการลงโทษไม่ต้องมีการใช้อาวุธไม่ต้องเค้นฆ่าคมเห็นกันทั้งนั้นน่นนะนะถ้าท่านผู้นี้อยู่ครองครองเรือนเพราะเป็นผู้มีบุญจริงๆไงนะใครก็รักอ่ะ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 พรามภาวรีก็บอกซึ่งชาตินะนะบอกชาติของพระพุทธเจ้านะโคตรลักษณะและมน์อย่างอื่นอีกกะพวกศิษย์แล้วก็สั่งไปว่าท่านทั้งหลายจงถามถึงศรีรษะและธรรมะอันให้ศรีรษะตกไปด้วยใจเท่านั้นวิธีถามปัญหาท่านต้องถามด้วยใจนะแต่ละคไม่ต้องเอ่ยคำานะถ้าถ้าพระพุทธเจ้าจริงก็ถามด้วยใจก็ต้องตอบด้วยวาจาก็บอกว่าถ้าท่านผู้นั้นจักเป็นพระพุทธเจ้า ผู้เห็นธรรมะไม่มีเครื่องกลางกัน้นนะถ้ามีอนาวรณญาณอย่างนั้นจริงอะ่ะเมื่อท่านทั้งหลายถามปัญหาด้วยใจแล้วจักกล่าวแก้ด้วยวาจ า, านะถ้าพระพุทธเธจ้าจริงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าดีจริงขนาดนั้นถามด้วยใจตอบด้วยวาจาเลยอันนะอนี้ก็เป็นคำแนะนำคำบอกของอาจารย์นะเนี่ย